พุทธธรรมฉบับปรับขยายบทที่15องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาหมวดที่สองหมวดศีลขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้พนอมรักเพชรสเถียรกันกวีเวนัดนิ ช, ชามาโสภารัชนีจันจรัดวัฒนากรมลาศมุวิชาชุดติการสิบหมู่สิริกรพุทธิพงกาล ร, รัรจูชาติเรียนทองกัญญนัททองบุญอนุภาพบ่วมีเพียรจูเพชรกลม ซับเพชกลมวทยากรมิ่งชัยรอบรูคําสุภารอบครัวงามสุริยพงศ์รจนาและวิชาญมุนทาทิพกุลพิมพ์สิริภาคดีชาติปัญญาโกจันร่วมกับอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสงค์ออกนามขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงอริยคุณพุทธธรรมจุมรงพลดีมีนาคมพุทธศักราช2566